ก็นั่งสมาธิโดยการยกมือสร้างจังหวะทําจิตให้ว่างทําร่างให้ปร่งฟังธรรมะเบาๆสบายๆายแล้ววันนี้หลวงพ่อท่านมอหมายให้พูดเรื่องนิวรณนทางจิตนะจิตของเรามีนิวรณ์ไหมเรียกว่าท่านเรียกใช้คําว่าอบายมุกทางจิตนะอบายมุกแปลว่าเร ต, ต้าด เริ่มเข้าสู่เริ่มมาพังเอาล้างพิงเสาล้องเกิดชาติหน้าเป็นตุ๊กแกเขาบอกตุ๊กแกตัวนีนะ้ทางจะอุบุญจะท่าทางอุบุญดีนะหนะลอกเป็นการหลอกเด็กใครนั่งหล้างพิงฟ้าชนาะหน้าเป็นตุ๊กแกจับจับตามฟ้าตามผนังเพราะนั้นชีวิตเราทุกวันเนี้ยนะ เวลาให้ปฏิบัติธรรมบางคนบางคนบอกมันติดคุกนะติดคุกทางใจนะสังเกตดูดีเวลาให้เดินยังกรมจับเขาที่ปฏิบัติธรรมมันติดคุกทางใจเวลาให้เก็บอารมณ์มันติดคุกทางใ จ, ในะ ต, งใจติดจริงๆเนาะสังเกตตัวติดคุกหาทางออกไม่ได้ครูบาอาจารย์เขาห้ามออกอย่างที่ปฏิบัตินะ เคร่งหน่อยเขาต้องดูแลตลอดคุณบาอาจารย์ต้องดูแลตลอดแต่ถ้าไม่เคร่งเท่าไหร่ก็เดินไปเดินมาได้แล้วแต่อยากจะพูดแล้วแต่อยากจะไปแล้วแต่อยากจะกินตรง น, นี้เปิดตรงกลางอ่าก็ยัดไฟ ใช้ธรรมชาติสะหน่อยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการติดคุกทางใจทีนี้สังเกตดูพวกเราสองสามวันผ่านมาเมื่อวานนี้สังเกตดูก็พยายามจับให้เข้าที่ให้ให้ดีสุดนะเพราะว่าที่ของเราก็ไม่พร้อมเท่าไหร่แต่จะไปตามที่ทุกแห่งนะบอกว่าที่ตรงนี้คือ ท, ที่สุดเ่างั้น ข่าก่อนโยมไม่เคยปฏิบัติที่ไหนที่มีที่ที่อึกกระทึกขนาดนี้เลยส่วนมากเข้าไปตรงที่เขาเขามีเตรียมพร้อมแล้วนะเข้าห้องปิดบางห้องก็มีแอร์เงียบนะบางที่ก็ศาลาใหญ่ห้ามมีเสียงรบกวนนะแม้แต่นกตุ๊กแกก็ยังไล่ออกเลยพระกลั ว, วจะกลัวจะรบกวนโยมปฏิบัติแต่ที่ตรงนี้นี่รู้สึกว่า ทั้งคนงานมาทําอะไรโป๊ะโป๊ะเป๊กเป๊เนี่ยสนุกไปอีกแบบหนึ่งทีนี้ในเมื่อเราอินซียังอ่อนอยู่ควบคุมควบคุมตาหคมจมคูกรีดไม่ได้เนี่ยเราก็ดูดูแล้วก็เดินเดินดูนะะมองหน้ามองหลังมองหน้ามองหลังแล้วก็มือก็ยกไปนะแต่ใจก็ออกไปทางหนึ่งตาไปอีกทางหนึ่งมันก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่มันจูนขึ้นสติไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่ระหว่างกาย <c oughs> ฉะนั้นมันก็เลยไปกับภายนอกหมดไปกับตาหูจมกูกอะไรต่างไปกับ อ, อายจัตนะหมดเราดูไม่เท่าทันมันถ้าดูไม่เท่าทันแล้วมันได้อะไรไหมมันไม่ได้อะไร มันเหมือนกับใช้คกับฟรีอ่ะนะมันก็ได้ร่างกายแข็งแรงเฉยเหมันก็ออกร่างกายฟกไฟฟ้าแป๊บแต่ใจมันไม่สํารวมนะมันไม่พอกพูนแห่งความรู้สึกให้เพิ่มมากขึ้นนะฉะนั้นทําอย่างไรจะให้พอกพูนมากขึ้นเรารู้สึกครั้งหนึ่งมันกับมันกับการเติมน้ําใส่ตุ่มขันหนึ่งหรือแก้วหนึ่งความรู้สึกครั้งหนึ่งมันเติมน้ําเข้าไปอีก ถ้าเราไม่รู้สึกตัวหรือไปกับความคิดเห็นก็เราก็น้ํามันเหล่ อ, ออกไปหรือมันหยดมันรั่วมันไหล อ, ออกไปนะฉะนั้นพยายามเก็บให้มากปล่อยให้น้อยทีนี้มาพูดถึงอคุกทางใจบางกีเนี่ยก็เลยที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตอนนี้เรากําลังหาทางออกจากคุกอยู่กําลังหาทางออกจากอบายกําลังหาทางออกจาก คุกภายนอกที่พวกเราทั้งหลายเข้าใจนะตอนแรกก็มาเข้าใจอย่างเงี้ยเข้าใจว่าถ้าปล่อยให้เก็บอามบรมณ์ปฏิบัติธรรมมันติดคุกทางใจอึดอัดขัดเครื่องมันไปไหนไม่ได้ที่จริงแล้วเนี่ยเรากําลังหาทางออกทางออกคือจับความรู้สึกไปเรื่อยๆ เ, เนทางออกมันยากหน่อยทางออกมันหนาหน่อ ย, เ, ยเรากําลังไขกุณแกอ ย, อยู่เขาเรีก็เปิดประตูใจ แต่ว่าคุกภายนอกที่จริงๆแล้วเนี่ยคุกที่มันอันตรายสูงคือคุกที่พวกเราทั้งหลายบอกว่าความเป็นอิสระนะอิสระทางตาหูจมูดลิ้นกายใจนั้นไม่ใช่เรากําลังติดอยู่ในคุกคุกแห่งอินทรีย์ทั้งหลายที่มันกักขังเราอยู่เสียงรถมาแล้วก็มองดูเนี่ยคือคุกทางตาแนละ้วคือมันมันจูงความรู้สึกของเราไปหมดมันจูงจูงสติปัญญาของเราให้เป็นความหลง ฉ น, นเราอยู่ในควบขความหลงหลวงทางตาหลงทางหูได้ยินเสียงได้เห็นทางตานะตาก็ชอบดูของสวยของงามนะก็พอใจถ้าไม่ไม่สวยไม่งามไม่ตรงความรู้สึกตัวเองก็เกิดความขัดเคืองใจนี่นเขาราะว่ามันหลงไปกับตัวนั้นนะหูเช่นเดียวกันชอบฟังเสีงยงไพเ่ราะถ้าไม่ไพเรพาะมันก็รับไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ทางใจ เกิดความสุขความทุกข์สองอย่างนั่นคือความหลงนั่นแนะละฉะนั้นเราอยู่ในคุกตัวนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วมาตั้งแต่เกิดเราไม่รู้ว่าเราเป็นธาตุของอารมณ์เราเป็นาธออาตุาาของอายจตนะภายนอกตลอดเวลานะแต่เราก็คิดว่าตัวนั้นคืออิสระนะตัวนั้นคืออิสระที่จริงไม่ใช่เราเป็นาธาตุของอารมณ์ตลอดเวลา ลเราธาตุของตาหัวจหมดริ่องกใจอันนี้พูดถึงเรื่องคุกประตูใจซะ먼ตอนนี้เรากํลาลังมาเปิดประตูใจให้ให้ใจของเรานั้นเปิดอิสระอิสระจากอินทรีย์ทั้งหลายอิสระจากอายุยืนทั้งหลายที่มันกระทบกันเราไม่ไปตามมันบ้างนะแล้วเราจะอยู่กับตัวเราได้แท้ได้แน่นอนนะปกติเราไม่ค่อยอยู่ตัวเองเท่าไหร่ไปกับสิ่งภายนอกหมดฉะนั้นสิ่งเหนึ่งนั่นคือ ศึกษาดูว่ามันเป็นคุกจริงไหมมันเป็นมันกับอาตมาพูดจริงหรือเปล่าอย่าให้อย่าเพิ่งเชื่อแล้วอย่าเพิ่งฟังแล้วเชื่อเชื่อแล้วเอาไปพูดที่อื่นต่อนะถ้าเราฟังแล้วเชื่อเชื่อแล้วเอาไปพูดบอกคนอื่นต่อนะเวลาเขาถามเรามันเราไม่เห็นจริงไม่เข้าใจจริงแล้วมันจะเกิดความอมันจะไปฆ่าตัวเองอะนะให้ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็โอ้โหมันจริงพระอาจารย์ว่าเสียง ใครพูดเราก็มองไปทางนั้นเสียงคนเดินใครมาเราก็มองไปทางนั้นเสียงอะไรเราก็มองไปหูได้ยินตา ม, มองตามเราไปกับมันตลอดเวลาเฉั้นอย่าเป็นคนที่สังเกตดูแล้วเราเป็นคนที่ยังอ่อนไหวต่อการกระทบถ้าใครอ่อนไหวต่อการกระทบนี้คนนั้นจะจะทุกข์เร็วคนที่พร่ำบ่อยนะ <c> พูดง่ายคนที่พร่ำบ่อย <c> พูดบ่อยเนทะ่านั้นเร็วต่อการกระทบฉะนั้นสิ่งที่มากระทบมันทั้งดีและไม่ดี ทำไมไม่ดีก็เกิดความพอใจก็เกิดความเสียใจไม่พอใจเกิดปฏิฆะถ้ามันดีแล้วก็เกิดความหลงเกิดความดีใจอิ่มใจกับสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์ทั้งสองอย่างนะเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างอารหันต์ท่างบอกว่าเราก่อนต้องอกขยอมส่วนหนึ่งว่าความดีใจเนี่ยเป็นเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์อย่างยิ่งอ่ะพู ด, ดง่ายๆนะ ถ้าคนไม่ยังไม่เข้าถึงสภาวะความเป็นปกติจริงๆแล้วเนี่ยไม่พอใจในความเป็นปกติจริงๆนล่วจะไม่เข้าใจในคำว่าความดีใจเป็นทุกข์อย่างยิ่งความเสียใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์ที่เราเห็นเหมือนกับสัตว์ร้ายมาเนี่ยเหมือนกับเรารู้ว่าสัตว์ร้ายอยู่ตรงนี้เราจะไปหามันเราจะไปหามันนหมหรือเราหลงหลงไปแล้วก็หาทางออกได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นอันตราย มันก็นทําปฏิกิริยาต่อร่างกายของเราอย่างแรงเราก็รู้สึกอึดอัดคัดเคืองใจไม่สบายใจบางคนก็หลบไม่พูดด้วยบ้างบางคนก็เดินหนีจากตรง น, นั้นบ้างบางคนก็หาทางออกอย่างอื่นได้ง่ายแต่ความหลงในความดีใจความหลงในความสบายใจความหลงความดีใจตัวนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนออกได้ยากเพราะว่าอะไรนึกว่าตรงนั้นเป็นความสุข ถ้าพูดภาษาให้เห็นภาพชัดก็คือหลวงพ่อเทียนเขาใช้คำวาความมืดมืดสีดําก็คือความทุกข์ทุกข์เพราะความโศมันน่ทุกข์เพราะความพลาดพาดทุกข์เพราะความตายจากทุกข์เพราะความไม่พอใจหมดยินคัดเครืองใจทั้งหลายแล้วเรียกว่ามืดสีดํามืดสีดําเราก็พ่อหาทางออกได้เพราะเรารู้ว่ามันมืดเมื่อเราอยู่ในถ้ำเราก็หาทางว่าตรงนี้มันมืดเราคาหาแสงสว่างได้ ถ้ามีไฟฉายเปิดเพิ่มก็สว่างจ้ามีเทียนสักเล่มหนึ่งก็สว่างทําให้เราเห็นมองเห็นไกลหาทางออกได้ง่ายแต่ความมืดสีขาวความมืดสีขาวเนี่ยเราพูดเทียนคำใช้คว่ามืดสีขาวที่คนทั้งหลายออกได้ยากก็คือความมืดที่หมอกควันเนี่ยเราหลงว่าเป็นสิ่งที่ดีความสุขทั้ง อ้ทาาั้งทั้งทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าเป็นความสุขที่ดีแต่ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่บทบังมากผลได้พอสมควรนะเพราะว่าอะไรเพราะามืดสีขาวเนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะใช้แสงสว่างแห่งแห่งไฟตัดมันได้มืดหมอกอยู่บนเขาตะมาอยู่บนเขาเวลาเมฆมันไหลผ่านมาเนี่ย อยู่ด้วยกันในเงี้ยมองเห็นกันนะพระเดินกัรมอยู่เนี่ยพระเดินกัรมอยู่คนละที่อย่างห่างกันแค่วาสองวาเนี่ยมองมเห็นกันเลยเห็นพอสลัวสลัวเนี่ยตื่นเช้ามืดมาสองไฟฉายดูหน้ากันไม่เห็นเลยนะเพราะอะไรหมอกมันความหนาเนี่ยมันมากกว่าความมืดของสีดําอีกเนีความหนามันเยอะหมอกควนจุดไฟเหมือนกันเราใช้ไฟธรรมดาไม่สามารถส่องได้ไฟฉายไม่ได้กินถ้าเป็นรถก็ต้องใช้ไฟตัดหมอก ไฟรถธรรมดาไม่ได้กินเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นคนที่หลงอยู่ในความดีตนเองคนทําไมไม่บอกว่าคนทําไมสนมากไม่มาปฏิบัติคนที่มาปฏิบัติมักจะเห็นความทุกข์โอ้ทุกข์ขัดเคืองใจไม่สบายใจทุกข์เพราะลูกเพราะหลานมันลําบากใจทุกข์เพราะความไม่ปราสมปราถนาทุกข์เพราะความพลาดพลากทุกข์เพราะสิ่งเหล่าเนี้ยเราเห็นมันเราไม่สบายใจมีทางอื่นแก้ไหม เ, เราก็มา เราเห็นความทุกข์ทางอกทางใจอึดอัดขัดเคลืองใจโอ้เขามีแต่พุทธศาสนากรรมฐานปฏิบัติธรรมที่จะพ้นได้ที่จะพอทุเราได้แล้วก็มาหาที่ปฏิบัติตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเรียกว่าความมืดตรงนั้นแต่คนทั้งทั้งหลายทำไมถึงไม่อยากมาปฏิบัติเพราะเนื่นาจะเขาบอกว่าเขามีความสุขสุขเพราะครอบครัวบ้างสุขเพรา ะ, ะหน้าที่การงานสุขเพราะกินกรรมเกียรติ สุขเพราะการกินดีอยู่ดสีสุขเพราะกสุขพากามบริโภคกามความไข่ในต า, งาหงุดหงิดริ้นกายใจแล้วก็เกียรตียศหลงไหลออกไม่ได้เถอะสิออกไม่ได้เพราะเขามีความสุขในส่วนนั้นสุขกินกามเกียดท่านั่นคือสุขความมืดสซีขาวเขาจะออกมาให้งโง่ทําไมเขาบอกอยู่บ้านสบายจะไปดูทําไมตนเองอตัวเองก็อยู่ตรงเนี้ย จะไปดูทําไมตัวเองก็อยู่ตัวนี้แล้วจะไปอยู่ทุกทอรบาลฉันเข้าต้มทานเข้าต้มจะไปทําตามคําสั่งคนอื่นทำไมอยู่กับตัวเองทําตามคําสั่งตัวเองนี่คือความมืดสีขาวเพราะนั่นคือความสูงเข้าเขาต้องบอกว่าน้ําอยู่ในปลาอยู่ในน้ํำมักไม่เห็นน้ำนะนอนย่อมไม่เห็นขูดที่ตัวเองกินเข้าไป นกบนฟ้าฟ้าเขาใช่เป็นของนกน้ําจะตกเป็นของปลาเขาหาไม่ที่จริงแล้วนะะกินกามเกียรติที่คนแย่งกันจะเป็นจะตายฉะนั้นความมืดตัวเนี้ยความสุขตัวนี้ที่คนออกยากความสุขคนนั้นก็เปรียบในตำรา้าเปรียบกับคนเทวดาทั้งหลายเทวดาจะไม่รู้เขามาทุกจะไม่เขา่าจะไม่เข้าใจเพราะว่าเขาคิดว่าตัวนั้นคือความสุข แต่พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าความสุขตอนนั้นคือความสุขอิงอามิตรความสุขเพราะกินการเกรยียรติความสุขเพราะวัตถุภายนอกความสุขเพราะสิ่งที่ตัวเองได้มาเหมือนกับพูดรั้วานะได้อันนี้มาก็ยังอพอใจสองสามวันก็ได้ น, นี้มาแสวงหาไปด้วยเขาเรียกว่าสุขอิงอามิตรสุขเพราะคนอื่นเนี่ยมันไม่สุขกี่ลังยั่งยืนนะสุขเพราะลูกเพราะหลานเดี๋ยวมันก็ทําให้เราเสียใจ ทำให้เราดีใจเสียใจสุขเ พ, พราะสามีภรรยาก็มีการการะทบกระทั่ง ก, ก, ก, กันตลอดเวลาไม่มีใครไม่เคยทุกข์เพราะสามีภรรยาสุขเพราะสิ่งตัเวเองได้แสดงหามาแค่แป๊บเดียวก็ทุกข์กันไปหนึ่งแล้วให้สุขเองอามิดมันไม่ยั่งยืนไม่สุ่สีขแท้จริงสุขแท้จริงคือสุขที่ไม่อิงอามิตดตัวไหนและไม่ใช่อามิดอ่ะสุขที่ทําความสุขอยู่ไหนก็ถามให้ถามย้อนไปอีกค่ะ ความสุขไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุความสุขมันเกิดขึ้นที่ใจตัวเองฉะนั้นเมื่อเกิดที่ใจตนเองแล้วเนี่ยเราทําให้มันสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกได้ไหมถ้าเราพึ่งพาสิ่งภายนอกเมื่อไหรแล้วก็สิ่งภายนอกมันไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดไม่ใช่ที่พึ่งอันเสื่อมมันต้องร้างการเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยาหวังพึ่งสิ่งภายนอกตลอดเวลานั้นน่ะ มันก็จะต้องทําให้เราทุกข์อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเราพึ่งลูกเดี๋ยวมันก็ตายจากเราไปหรือมันไม่ตายจากเราเราก็ต้องตายจากมันเราไม่ตายจากมันแล้วมันก็พูดกระทั่งแทกใจให้เราทุกข์อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นคือคนอื่นเราพึ่งนาฬิกาพึ่งเครื่องเสียงตัวเนี้สมมติอาตมาต้องใช้เครื่องเสียงตัวนี้ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ดังนะมันก็ใช้ไม่ได้ ไม่ดังด้วยผมว่ไม่ดีใช่ไม่ได้เราพึ่งในเล ก, กาเพื่อใบอกเวลาถ้าใบเล ก, กาบอกเวลาไม่ได้แล้วก็มีไว้ก็เป็นภาระเราเฉยเรามีลูกเพื่อไปใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็เป็นภาระกับพ่อแม่อีกเดิมประสาทศาส า, สาน์เขาบอกว่าญาเลียงไกบวขันหมายถึงว่ามีลูกเยอะๆก็ไม่มันก็ไม่ขันอาสาช่วยเราได้เวลาพ่อแม่เก็บป่วยเวลาพ่อแม่ เป็นทุกข์ลูกก็ไม่สามารถที่จะมาขันอาสาดูแลเพราะลูกต้องรหลานตัวนี้นะฉะนั้นเราพึ่งตนเองหาความสุขให้กับตัวเองอยู่ตัวนี้ถ้าได้แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมันให้ใครไม่ได้ใครซื้อไม่ได้จะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ความสุขตัวเนี้ยที่มาพูดถึงอบายามุกในใจที่หลวงพ่อท่านฝากให้พูดนิดหนึ่ง นะอบอายมุกภายในส่วนมากเราเห็นอบอายมุกภายนอกอปา ย, ยะแปลว่าที่ไม่สบายมุกคแปลว่าหน้าหรือว่าปากมุกแปลว่าปากมุกเมาส์น่ะนะปากอปลายะไม่สบายปากทางไม่ปากทางที่ไม่สบา ย, าาาาาาบายภาษาบาลีใช้ว่าปากทา ง, งความเสือนะ่อมนะอบายมุกนึ่ปากทา ง, งความเสื่อมที่ไหนละครับให้เราเสื่อมถ้าเป็นสิ่งภายนอกก็พวก การพานันสิ่งภายนอกนะนักเลงการพานันนักเลงผู้หญิงนักเลงสุลานักเลงยาเสพติดนักเที่ยวกลางคืนนักคบคนชั่วเป็นมิตรอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าปากทางความเสื่อมถ้าใครหลงเข้าไปเมื่อไหรแล้วก็เสื่อมไปนั้นเน่ะแต่ไม่ถ้าคบคนชั่วเป็นมิตรเราไม่เสื่อมเพื่อนรัพาเสื่อมเราก็เสื่อมด้วยอันนี้ปากอันนี้ความเสื่อมเรียกว่าใบามุกภายนอก แต่อบยมุกภายในมันก็มีเช่นเดียวกันอบยัยมุกภายในนะคือว่าความเสื่อมภายในมีอยู่ห้าอย่างหรือว่านิวรณ์ห้า <c oughs> นิวรณ์ห้ามีอะไรบา้างใครตอบได้บ้างนอนตอบแบบ <c oughs> อ่มันก็เป็นหนึ่งในนิวรณ์ เราสักได้หนึ่งแล้วอโอเคง่วงนอนก็เขาเรียกว่าถี่นิมิทะนะถ้าบาลีถี่นิมิทะความง่วงเงาเหานอนสลือเนี่ยนะนะยิ่งยกมืออยู่สลือทย่ไปหลับตาให้มันก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับให้ท้ายมันนะนะยิ่งไปหลับตาลงก็ต่อยเอาต่อยเอานะทีนี้อันที่สองคืออะไรฮะ โอ้ oh. อันนั้นอันนั้นไม่ได้จัดไว้ในนิวรณนเลยนะน ะ, ะความฟุง้งซ่านนเรยสงสัยได้สองข้อแล้วความฟุง้งซ่านนเรยสงสัยเรียกว่าวิกิกิจฉาศัพนทะ์ไม่เรียงข้อกัช่างนะขอให้ได้ครบทุกข้อแล้วกันนะนะวิกิกิจฉาความนเลศสงสัยสงสัยพระอาจารย์ทําไมไม่ทำไม่เดินจุกลมด้วยสงสัยทําไมหลวงพ่อต้อง ทำแต่งานด้วยสงสัยว่ยกมือแล้วมันได้อะไรสงสัยถนะ้าพูดว่าทำสมมติจริงไหมมันสงสัยไปหมดอ่ะสงสัยยกนี้มันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรมันไ ม, ไม่ไม่ตั้งใจทํานะมันแต่ตั้งความสงสัยเฉยๆตั้งความสงสัยไว้ก่อนแต่ไม่ตั้งใจทําไม่พิสูจน์พิสูจน์เหมือนกันนะแต่ทําไม่ถึงนะยกมือไปก็คิดนน่นคิดถึงบ้านยกมือไปไปคิดถึงที่อื่นอันนี้เขาเรียกว่า ตั้งความสงสัยได้ที่ไม่ตั้งใจให้แน่ให้ถูกต้องคิดว่ามีทุกคนต้อสงสั ย, ยนะเรียกว่าวิกฤติจฉาต้องไล่มคาครบถึงห้าข้อแล้วกันเอาข้อที่สามเป็อะไรฮะพืฤฤ้นฐานขัดเคืองอยู่ในข้อไหนนะเอาเอาข้อพยาบาทก่อนเนี่ยนะนะปฏิค่าพยาบาทนั่นแหละนะควนะามเบือขัดเคืองใจความไม่พอใจความ นึกถึงหน้าลูกหน้าหลานมันไม่มาเยี่ยมแม่มาปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ส่งค่ารถแม่มาปฏิบัติธรรมมันไม่โทรมาหาเลยเขาเรียกว่าความอักขเครื่องใจตัวนี้นะความอักขเครื่องใจตัวทําให้อยู่ในข้อหนึ่งที่พยาบาลเอาไล่ครบตั้งห้าข้อซะก่อนได้กี่ข้อแล้วสาลใช่ไหมอ่าอีกสองข้ออ่ะต่อไปข้อเลยรหนึ่งความ พยาบาทเราได้แล้วอาฆาต พ, พยาบาทสองทีนิมิธะสามวิกิกิจฉาสี่สี่อะไรอรตมาว่าคนที่นั่งอยู่ตัวนี้อรตมา่าเข้าวัดมนหลายวัดนะผ่านครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วก็ผ่านกรรปฏิบัติมาเยอะจำศีลภาวนามาเข้ามาก ถ้าไม่รู้ว่าอุปสรรคแล้วมันจะหาทางออกออกจากอุปสรรคไม่ได้ศิลปะฮะศิลปะศิลปะศิลปะตาปาร้าดโอนึกว่าศิลป์อะไรนึกว่าศิลปะอะไรแถวนอนนั้นนะอันนั้นอยู่ใน อยู่ในสังโยชน์สิบนะฮะอันนั้นไม่ใช่ในสังโยชน์สิข้อแรกของพระสโสวดบันละได้เอาแล้วก็ความกามราคะนะไออาจารย์ด้วยให้กามราคะกามราคะตัวนี้หมายถึงอะไรกามตัวนี้เนี่ยหมายถึงความไข่ในตาหูจมูกลิน้นนะกามราคะตัวนี้ ตามนี้แปลว่าความใคร่ความใคร่ในรูปสวยความใคร่ในฟังเสียงเพราะความใคร่ในรสอร่อยมาที่วัดมันทานข้าไม่ได้อร่อยมันไม่อร่อยมันจืดมันจางมันไม่ไม่ปรุงแต่งถูกจิตตัวเองอ่ะเพราะว่าจิตของเราลิ้นของเรามันเคยให้อยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งมาเยอะพอมาเจอธรรมชาติแห่งความจืดจางหน่อยทานไม่ได้ทำไมคนเราทุกวันนี้ถึงเป็นโรคเยอะ พราะไม่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะไม่ต้องการธรรมชาติถ้าอยู่กับธรรมชาติแล้วอายุจะยืนเหมือนกับ น, น้าเนาถามว่าน้ำจริงๆแล้วมันมีรสอะไรตอนน้ามีรสอะไรน ะ, ะนะไม่ใช่นะมันไม่ใช่จืดถ้าจืดจริงๆคงจะเป็นโซดานะแต่ว่าไม่มีรสชาติอะไรเลยน้ามีรสอะไรมันไม่เหมือนรสธรรมชาติปรุงแต่งนะน้ำนะ้าเป็นสีอะไรตอ สีขาวไม่ใช่มีใครบอกว่าน้ำสีขาวบ้างสีไม่ใช่ถ้าใสมันต้องสองเหมมันกระจกเลยฮ ะ, ะน้ำจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีสีสีอะไรสีน้ำแ้่ก็มีเหมือนกันนะสมมติว่าเลือกสีน้ำมาเรือสีน้ำ มันก็น้ํำทะเลนะมันก็เป็นสีน้ำแหละถ้ามันอยู่ที่มันลึกหน่อยก็เป็นสีคามเพรมันลึกลึกมัส่งจากท้องฟ้ากนะลิ่นอะไรก็ไม่มีกลิน่นกลิ่นน้ํากลิ่นน้ํานั่นแหละลดก็ลดน้ำนะฉะนั้นธรรมชาติจริงๆแล้วเราอยู่กับธรรมชาติไม่ค่อยได้เพราะว่าพราเรานะี่ยมันปรุงแต่งมาแต่ไหนแต่ไรฉะนั้นการมมาลาฆาตัวนี้คือติดในสิ่งที่ปรุงแต่งนะพูด ง, ง, ง่ายๆปรุงแต่งทางหู ร้านอาหารที่ไม่ร้านอาหารปรุงแต่งต้องปรุงแต่งครบนะถึงจะเปิดร้านอาหารได้คนนี้เขาเยอะปรุงแต่งทางหูอยากฟังเพลงอะไรปรุงแต่งทางตาต้องจัดล้านให้มันระยิบระยับต้องจัดให้มันถูกกิเลสคนปรุงแต่งทางเสียงหารทางสัมผัสองหานักร้องอาหาเด็กเสือกดีๆเนี่ยมาบริการมาอะไรทางลิ้นต้องอร่อยที่ต้องปรุงปรุงยังไงก็แล้วแต่คอยคน ทานเราชอบใส่อะไรเข้าไปก็แล้วแต่ใส่ผงสุดรสเป็นถังแล้วแต่ใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายปรุงให้ขนชอบเราก็ไปหลงไปตามสิ่งเหล่านั้นพอมาเจออาหารที่วัดเป็นแบบกายภาพเชีวภาพตรงนี้นี่ก็ไม่ถึงกับลังสัปเหร่านะเป็นอาหารที่เน้นสุขภาพมากกว่านะมีทุกอย่างแล้วแหละแต่ให้มันมีพิษภัยน้อยสุดน ใช่ตัวหนึ่งคือกามาคะตัวสุดท้ายคืออะไรขันธ์ธมานโยมนี่คงใส่ธรรมะเยอะนะอถ้าให้เขียนเป็นเรื่องๆเลยเยอะทีเดียวแต่ว่าจัดไม่ถูกหมวดหมู่เฉยๆนะอ่าดีแล้วล่ะนะขันธมานอะไรเอ่ย ความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านอยู่ในข้อไหนอ่ากูกุดจะกอ่ากขุดจักอันเดียวก็นอะกุกุทักจั๊กูกุจจักอ่ากุทักจั๊กกูขุดจัคือนความฟุ้งซ่านลำคาญฟุ้งซ่านแล้วก็ลำคาญถ้าฟุ้งซ่านไม่ลำคาญจะมีไหมถ้าฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันก็คิดฟุ้งซ่านมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัว แต่พอลาคาญมาก็อยากจะเดินแะคนที่ฟุ้งซ่านลาคาญจะดูเองง่าเวลาปฏิบัติเดี๋ยวคือไปคุยคนนั้นบ้างเดี๋ยวจะเดินไปคุยคนนี้บ้างนะเดี๋ยวก็จะเดินไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วฟุง้งซ่านมันอยู่กับที่ไม่ได้มันฟุง้งมันซ่านไปทั่วนะฟุง้งมันซ่านไปที่บ้านแล้วเนี่ยมันซ่านไปที่บาอาจจะมองไปที่ภูเขาเรากาอาจจะซ่านไปน้ําตก อาจจะสั้นไปหาคนนั้นอาจจะสั้นไปหาคนนี้ันฟุ้งไปฟุ้งมาทีนี้นี่เมื่อครูบอาจารย์บอกมันไปไม่ได้ให้อยู่ให้ปฏิบัตินะทำาังไง่เนี้มันก็สั้นไปใกล้ๆก่อน มันก็ซ่านไปใกล้ๆกันซ่านไปไหนซ่านไปหาคนนี้โยมโยมมองซะมองอมกันมนเสร็จรถจะไปไหนเนอะรถเนอะ <c oughs> ใครจะไปบ้าง <c oughs> ฝากซื้ออะไรเล้ไหม <c oughs> ไปเร็วจริงๆเลยนะ่นเอง <c oughs> <c oughs> จับครู้สึกไปก่อนะอวเห็นไมความลังเลสงสัยเกิดขึ้นแล้ววิกฤติช้ารถจะไปไหนใครจะไปบ้างไปเมื่อไหร่ ไปอย่างไรทำไมอะไรทำลงนั้นมันเกิดขึ้นมากมายในใจเราไม่ไม่อยู่กับปัจจุบันถึงในลักทีนี้ไม่ใช่อาตมาไปกับรถอะไรบ้างเนี่ยพูดถึงความฟุ้งซ่านนะสังเกตดูและดูเพื่อนเราด้วยนะอุตมมาสังเกตเดินไปอาตมาเดินไปตรงตัวนี้บางเดินดู เป็นกัลยาณมิตของตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างพยนะายามแยกคู่ชกนะบางคู่ก็มันเป็นปัจจุเอฟฟาเข้าหากันเร็วเหลือเกินไม่รูนะ้แล้วก็มีเหตุผลของเราด้วนะแนะตา่ไมา่ว่าแล้วแต่เหตุผลของเราที่เข้าไปคุยก็มีเหตุผลทุกคนนั้นะที่คุยโทรศัพท์ก็มีเหตุผลทุกคนนั่นแหละนะนะแต่ว่าต้องใช้สัตว์ บ, บ, ร, ร, บ, บริษัท บ, บรุ ษ, รษเข้ามาใช้นะ คือรู้จักการรู้จักเวลาตัวนี้สําคัญนะรู้จักเหตุผลตนประมาณการชุมชนบุคคลชุมชนเ น, นี้รู้จาักการรู้จักเวลาในเวลาปฏิบัติก็ปิดโทรศัพท์ซะนะถ้าจําเป็นโทรเอกินก็ได้เวลาอะไรต่างๆก็เป็นหลบๆเพื่อนถ้าเราโทรศพัพท์หรือเสียงโทรศัพท์เราดังเนี่ยไม่ใช่มันรบ ก, กวนแต่เราอย่างเดียวเพื่อนเราอยู่ข้างก็เกิดวิกฤติจฉาแล้วใครโทรมาบ้า เขาจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดความสอดรู้สอดเห็นเราอยากฟังด้วยแนละ้วนี่ยทำไมไม่โทรมาหาเราบ้างวะเดี๋ยวก็โชว์เบอร์ไปหาเขาได้ทีนี้นั่งไปนํามาจับกับโทรศัพท์มาแล้วครับกดไล่ ๆ, ๆโชว์เบอร์ไปหาลูกเดี๋ยวมันก็โทรมา่มีไหมแต่ว่ามีมอาตมาเดาไว้เฉยนันแะนะนฉะนั้นทํายังไงปิดโทรศัพท์นะั่นแหละ มาถึงตัวนี้อย่าอย่าเป็นคนสําคัญอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติอตาตมาท่านบอกว่าเพราะสําคัญตัวเองผิดจึงคิดว่าตัวเองสำคัญตอนแรกอตาตมาเหมือนกันนะสําคัญตัวเองผิดเพราะว่าตัวเองคนอื่นจะขาดเราไม่ได้งานต่างๆจะขาดเราไม่ได้เราต้องเป็นหัวจักเราต้องเป็นอะไรต่างๆนะมันเราต้องเป็นต้องเป็นต้องมีต้องเป็นตล อ, ตอดอนะ่ะเวลาทํางานทีนี้มันโอ้ พอเราสำคัญตัวเองผิดจึงคิดว่าตัวเองสำคัญตัดทุกอย่างนะอยู่สามตายนะไปสามตายทําสามตายนะมันจะได้ไม่ต้องเป็นที่พึ่งของคนมากนะสามรู้จักสามไหมล่ะทอร์ ต, ตออสเนี่ยรู้จักรู้อยู่ทอรนะ์สนะคนที่เป็นคนไทยก็ไม่คยรู้จักเขาว่าสามสามได้เพราะว่า รอหรือจะใช้คำไหนดีตอนซ้ำตายรอถึงวันนั้นเอรอถึงวันนั้นมันก็ยังไม่มันเป็นคําที่ไม่ไม่เฉพาะเหมือนกับภาษาลาวนะภาษาไทยเนี่ยมันใช้คารอาาอย่างเดียวซ้ำภาษาลาวมันเยอะนะไม่ใช่ชามนะซ้าตรงนะี้ อย่าตีเป็นชามไม่ได้หรอกเฉนเราอยู่ตรงนี้คืออะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันก่อนโลกจะสลายน้ำทะเลจะแห้งก็ช่างมันนะเราปฏิบัติยกมือตั้งใจจริงๆนะตั้งใจจริงๆอย่านึกถึงคนอื่นนึกถึงตัวเองซะก่อนช่วงนี้เฉะนอย่าอย่าฟุ้งซ่านมันฟุ้งได้แต่อย่าซ่านไปกับมันมันฟุ้งก็ดูมันมันซ่านก็ดูมันถามมันว่า ถ้ากายมันอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนใจน่ะมันอยู่ด้วยกันได้ไหมถามมันหน่อยสมน้ําหน้ามันบ้างให้มันอยู่กับตัวเองบ้างอย่าให้มันไปตามใจเพราะการตามใจตัวมันชั่วนะใจมันรักแต่สบายไม่ใช่หรือการตามใจตัวเองเนี่ยมันไฟเหือหลวงพ่อพุะธาตุท่านบอกใจของเรามันไหลลงสู่ที่ต่าตลอดเวลาไหลลงสู่ที่ชั่วตลอดเวลาแหละถ้าเราไม่กัดกั้นไม่สติเตสังนิวาระนังไม่เอาสติไปกั้นมันบ้างเนี่ย นสติเตสังนิวรสติกัณนิวรต้งพวงสติกัณนิวรกันฑ์บาต้องพวงได้ไปกันฑมันบ้างนะมันจะใช้มันไม่ได้มันลงตามใจตัวเองตัวเวลามันลูกตามใจน่ะถ้าลูกมันตามใจตัวเองพ่อแม่ก็ใช้ไม่ได้นะมันใจเราเหมือนกันนะมันตามใจตัวเองเมื่อมันก็ใช้มันไม่ได้ฉะนั้นอย่า ฟุ้งซ่านลำคาญว่าท่านฟุ้งก็ดูมันอย่าไปอย่าไปกับมั น, นพยายามพูดน้อยที่สุดพูดน้อยสุดไม่ใช่ว่าเวลาเห็นครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ถึงหยุดพูดเวลาครูบาอาจารย์ไปเขาพูดมาเดิ ม, มเรื่องอะไรมาเดิมเขาเรียกว่าภาษาอีสานน่ในภาษาไทยนี่แหละหน้าไหว้หรังหลอกปฏิบัติธรรมอย่ามีหน้าไหว้รังหลอกต้องเอาตัวเองเป็นครูบาอาจารย์ตัวเองให้ได้ นะไม่ใช่ใทําเฉพาะตอนที่ครูบาอาจารย์อยู่ไม่ใช่พูดเฉพาะตอนครูบาอาจารย์อยู่หรืออะไรต่างๆเลยให้ครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดคือเรานนเนี่ยเหมือนกับครูที่สอนเราเวลาเราเข้าห้องเรียนเนี่ยครูเป็นแค่ได้สักสามสิเอร์นหรือสีิเอซอย่างมากเป็นผู้แนะนําไม่เฉยให้โจทย์อะไรเราเฉยแต่ว่าเวลาไปทำจริงนะเวลาเรียนหนังสือเรายกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยแบบหรือว่าแบบทดสอบ แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เวลาครูขึ้นกระดานนีนะ้ให้เราไปทนะําเนี่ยถ้าใครก็ตามเอาตามที่ครูบอกเฉยๆเรื่องไปทําตามที่โจทย์ที่ครูให้เนะี่ยคนนั้นไม่พัฒนาเลยนะโง่เหมือนเดิมนะพูดง่ายๆเพราะว่าในแบบบางทีมันก็มีคำตอบให้แล้วข้างหลังมีคำตอบให้หรือว่าบางคนอาจไปเปิดคีย์ก็มีคําตอบให้แต่ใครที่สามารถพยายามคิดคณิตศาสตร์ขึ้นมา ตัวนี้ตัว น, วนี้แล้วก็พยายามหาคำตอบเองเดาขึ้นมาตัวนี้ต้องหาคําตอบเองบ่อยๆนะครูนี่ใจรู้ดีพิชายนี่พยายามคิดขึ้นมาหาคำตอบเองอยอยพยา eh พยามขึ้นมาหาคำตอบเขียนจดไว้เยอะแล้วลองหาคําตอบตัวเองด้วยตัวเองหาไม่ได้ก็พยายามหาตัวเองไม่ได้แล้วคนนั้นจะความตัวนี้มันจะเป็นวษีจะชำนานนะถ้าเป็นมอต้นก็พวกครนฮรมอะไรพวกนี้ พยายามหาสร้างโจทย์ขึ้นมาเยอะแล้วก็มันจะชำนาญต้องจะเก่งถ้าจะเอาตามหนังสืออย่างเดียวไม่ไปไหนมาไหนหนอไม่เชื่อวิชาหนะเรียนวิช า, นะชาฉะนั้นการปฏิบัติของเราเช่นเดียวกันถ้าเราเฉพาะกับครูบาอาจารย์เฉยๆเนี่ยมันมันไม่ได้ครูบาอาจารย์ช่วยแค่สามสิเอร์ซตอีกเกตสิบอร์ซนหกสิบซั้นเป็นหน้าที่ของเรานะต้องรับผิดชอบตนเองนะ ดังนั้นอบายยมุกหรือว่าความเสื่อมของทางภายในเนี่ยคือนิวรณ์ห้าตัวเนี่ยมันกําจัดเราทีนี้เรามาวิเคราะห์เชื่อกันดูเชื่อกันว่าถ้ามันไม่มีห้าตัวแล้วเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีชั่วเนี่ยเราจะไม่รู้จักคาว่าดีนะถ้าไม่มีคนทําชั่วให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเราจะไม่รู้จักว่าเราทําดีเลย ถ้าไม่มีความมืดก็ไม่รู้จะเข้ากว่าความสว่างถ้าไม่มีขาวก็ไม่รู้ว่าดำเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าไม่มีนิวรคุณธรรมมัเกิดไม่ได้นะถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยธารมะต้องบอกว่าถ้าใครปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไม่ง่วงเลยว่าญาณเฉยๆอยู่เนี่ยแปลว่ายังไกลอยู่เวลาปฏิบัติอย่าบอกว่ามันเฉยๆวิญญ า, า์มันไม่คิดอะไรเลยเนี่ย แปลว่ามันยังไกลอยู่นะสังเกตดูดีๆนะความคิดเรามันถึงสองสามชั้นด้วยกันหนึ่งความคิดปรุงแต่งจากการกระทบอารโยมอาจจะแล้วครับดับการปรุงแต่งได้เห็นความปรุงแต่งได้แต่ว่าความคิดที่เป็นอาคันตุ ก, กะที่อยู่ลึกๆแล้วเนี่ยมันไหลตลอดเวลาโ ย, ยมเห็นไหมมันความคิดแบบแผ่วเบาอะความคิดไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดเริ่มต้นท่ากลางในที่สุดความคิดตอนนั้นมันไหลไป เห็นตรงนั้นแปว่าลงลึกแล้วจีแฉงเราลงลึกแล้วไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงอะฉันไม่คิดตามมองเห็นมาแล้วฉันไม่ไปตามเลยอันนี้เพียงแค่เบื้องต้นเฉยๆระเบียดนะฉะนั้นอาตมาได้ยินโยมมันอยู่เฉยๆวิญญาาณไม่คิดอะไรเลยดูดีๆตัวเฉยๆนี่ยหลคือความคิดที่มันดึงเราอยู่มันถ่วงเราอยู่ ฉะนั้นอย่าไปพยายามสังเกตดูดีๆจับความรู้สึกให้ชัดเจนแล้วมันจะเห็นหมดมันจะลื้อมันเป็นรากเลยจับความรู้สึกชัดเจนเน่ยคือมันเหมือนกับพั่วมันตักดินทั้งหมดเตักความคิดทั้งหมดแต่ต้องรอมันมันหยุดชิดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มามันหยุดแป๊เดียวเดียวกลับมาตัดให้มากที่สุดความคิดเห็นถ้าเรามีสติเห็นมันมันไม่ต้องคําว่าใช้คําว่าตัดก็ได้ เห็นแล้วมันจะหยุดทั้งมันเองเพราะว่ามันจะมันไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วละระหว่างความรู้สึกตัวชัดเจนกับความคิด่ะถ้าเราความรู้สึกชัดเจนนะมันหยุดทั้งมันเองแต่เราไม่ชัดเจนเมื่อไหร่มันก็มาผ่านไปผ่านมาอยู่งั้นฉะนั้นพูดอีกนิดหนึ่งว่าอุเบกขาหรือว่านิวรนหรือว่านิวรนนะฮะนะที่เลยมาทั้งหมดมีกามาฉันทะพายาบาท วิกิกริชชาอุ ท, อ ท, อทธิจารกุตจารทีนิมิธาห้าตัวเนี่ยมันคือธรรมมาลมชนิดหนึ่งเป็นธรรมะนั้นแหะเป็นธรรมะธรรมมาลมชนิดหนึ่งที่มาก่อกวนให้กิเลสให้จิตใจอาจจะมาอยากใช้คําว่ากิเลสนะให้จิตใจของเรามันฟุ้งขึ้นมาให้เราเห็นความรู้สึกให้เห็นความคิดมันมากวนให้เราความคิดฟุ้งสัน้นไม่พอใจอะไรพวกนี้ย ให้ให้มันดูตัวเนี้ยถ้านิวัังห้าไม่มาแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นมันนิวรังห้าเป็นตัวกวนมันเราจะเอาปลาในบ่อสักบ่อหนึ่งเนี่ยนะถ้าน้ําไม่ใสเราเอามือร่วงเราไม่เห็นมันมันเห็นมือเราวิ่งหนีหมดทําไงต้องกวนให้มันขุนถ้ามันขุนแล้วมันจะขึ้นมามันปลามันขุนมันขึ้นมาแต่ในก็ดีเรากวนนะเรายกมือสร้างว่ากาลังกวนนะกวนน้ําให้ขุน พอยกมือสร้างว่าอยู่ตนเองนั่นมันไปไหนไม่ได้ไม่ไม่ไปตามใจตัวเองเราเดเกิดขัดเครื่องใจอยงเงี้ยเริ่มฟุ้งแล้วเนี่ยความม่วงความม่วงเอานอนเริ่มมาแล้วโอ้ยไม่รู้อะไรนักหนาเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยม่วงเอานอนขนาดนี้นะเนี่ยมองหน้ามองหลังเห็นพระอาจารย์เห็นหรือเปล่าวะเนี่ยเพื่อนเห็นหรือเปล่าถ้าเพื่อนเห็นก็ไม่ก้านอนแล้วนะเพราะอะไรอายมันก็ดีตัวเหนือไม่หิริตัวเนี้ย ดังนนปฏิบัติทำแล้วอินทรีย์ยังอ่อนเขาบอกให้ปฏิบัติในที่โลงแก่งต่างคนต่างเป็นกระยายไม่ได้แข ก, กันดูกันมันจะไม่กล้านอนไม่นอนก็หาทางออกเดินบ้งวางนอนนั่งนั่งสลึมสลือว่างนอนก็ลุกขึ้นมาเดินเดินอ่าเดินก็ยังง่วงอยู่ก็สุดท้ายทำไงแต่ก่อนไม่มีโยคะนะแต่ก่อนอนิยมให้นอนต่อสู้จนมัน จนฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแพ้ต้องมองดูให้มันเป็นศัตรูเราให้ได้มองดูภาษาให้เป็นศัตรูเราเท่านั้นเรากับศัตรูมันจะเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วล่ะต้องต่อสู้มันมาแล้วใช่ไหมต่อสู้มีจับดาบทันดาบใช้ปืนทันปืนสมมุตินะต่อสู้มันทั้งต่อยมวยทั้งอะไรก็แล้วแต่ล้างหน้าล้างตามาสู้มันแล้วเราจะผ่านมันได้มันเป็นมันเป็นธรรมอารมณ์ชิดหนึ่งที่ขึ้นมามันเป็นมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นบันไดอ่ะถ้าไม่มีตัวนี้เราไม่สามารถจะก้าวข้ามอารมณ์ตัวนี้ไปได้ตลอดชีวิตอะนะสู่แล้วก็ความระลึกสงสัยเกิดขึ้นตั้งสัมมาทิฏฐิให้ตรงนะลองพิสูจน์เอาให้เต็มที่ไม่มีอะไรที่สู้ได้เท่ากับความรู้สึกตัวแล้วความมั่นใจสัจจะตัวเนองครูบาอาจารย์มันต้องมีมันต้องับมันต้องมีอะไรสักอย่างสินะ่ะไม่ต้องสงสัย่ะต้องบอกตัวเองนะครูบาอาจารย์ก็าทำมาอย่างนี้ยนะถ้าไม่ ท่านไม่ทํามาก่อนไม่เดินมาก่อนทางเสนี้ท่านไม่กล้าพูดนะจะต้องไม่สงสัยความสงสัยไว้ก่อนสงสัยก็ปฏิบัติไปสงสัยก็ปฏิบัตินะมัวแต่สงสัยแล้วไปอ่านหนังสือมัวสงสัยแล้วไปฟังมันไม่ผ่านได้แน่นอนตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่เห็นเหมือนเราหิวน้ำ น, นะสงสัยมันเป็นยังไงไปทานทุกคนอื่นมันไม่กินนะักทีมก็ไม่อิ่มนะฉะนั้นอย่ามัวแต่สงสัย ฉะนั้นเขาบอกว่านิวรณที่หลวงพ่อตาท่านพูดว่าเป็นเป็นอบายย ม, มุเป็นอบายภายในเนี่ยมันทำให้เราไม่สบายเป็นห้นทางความเสื่อมภายในเนี่ยถ้าเราไปตามมันจะเสื่อมถ้าเราขัดมันขืนมันสู้มันทนมันนัดูมันเนี่ยมันเป็นช่องทางเป็นไฟฉายให้เราที่จะเอาส่องสว่างไปสู่ความออกจากความมืดได้นะฉะนั้นเรา สังเกตศึกษาโ ด, ดยทีย่จะนึกว่าเป็นอุปสรรคให้นึกว่ามันเป็นธรร ม, มารลมชนิดหนึ่งอันนี้เป็นธรร ม, มารลมในหมวดธรร ม, มานุปัสสนานะตัวเนี้ยกามพอใจไม่พอใจดีใจเสียเนี่ยมันสิ่งที่เราต้องดูมันไปปฏิบัติที่ไหนก็ทุกเที่ปฏิบัติที่ถําวัดถําแสงเทียนไม่ไหวห่วงนอนเยอะเลยเกินฟุ้ฟงซ่านลาคาญหงดหิดดีครับ แต่ปฏิบัติที่อื่นดีกว่ามันไปที่ไหนก็เหมือนเดิมอะ่ะนะถ้ามันเอาข้ามเอาชานะตัวนี้ไม่ได้นะ่ะไปปฏิบัติบนสวรรค์ก็พลาดข้ามไม่ไดนะ้แล้วมาเคยได้ยินวาจานท์นพูดนิทานเรื่องนห้ฟังนะอันนี้เอาใจเด็กสักหน่อยนิทานนะมันมีหมาขี้เลี้ยนอยู่ตัวหนึ่งนะหมาขี้เลี้ยนตัวเนี้หมาขี้เลี้ยนตัวนี้ ขึ้นชื่อว่าชี่เลียนแล้วมันจะอยู่เฉยไม่ได้นะมันจะคันตามเนื้อตามตัวของมันพอเมนเยอะหมัดเยอะเมนเยอะน้ําเหลืยงเยอะตามตัวมันนอนที่ไหนมันนอนตรงไหนมันก็ไม่มีความสุขอะตอนแรกมันก็นอนอยู่ตรงที่มันนอนว่าดีที่สุดนะบนสักสองรอบสักสารอบสี่รอบแล้วก็นอนนอนแล้วก็เกางี้ๆๆๆๆคันนะเด็กมันก็ไม่ได้นะงุนหิด ล, ล, ลูกจากตรวนี้ไปที่อื่นลูกจากตัวนี้ไปที่อื่นนู่นไปเกาที่อื่นอีกไปเกาตรงนั้นขันล้วไปเกาที่อื่นอีกมันนึกว่าตรงที่มันนอนทาให้มันขันมันนึกว่าตรงที่มันนอนทาให้มันเป็นอย่างนั้นที่จริงแล้วความคันอยู่ที่ไหนที่ไหนหนูความคันอยู่ที่ที่ที่มันนอนแล้วที่ตัวของมันเองที่ตัวของมันเอง ฉะนั้นความทุกข์มันไม่อยู่ที่คนอื่นความทุกข์ไม่อยู่ที่บ้านความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่วัดนี่วร์ไม่ได้อยู่ที่ไม่อยู่กับสถานที่สถานที่เป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยเฉยนะแต่ว่านี่วร์มันอยู่ที่ตัวเราฉะนั้นเราจะเอาชนะที่ไหนได้เอาชนะที่ตัวของเราเลยนะเอาชนะที่ตัวของเราให้ได้ฉะนั้นโยมกลับไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถไปปฏิบัติที่บ้านได้ทําที่บ้านต่อได้ ธรรมะม่ไอยู่ที่วัดนะธรรมะม่ไอยู่ที่ครูบาอาจารย์นะธรรมะมันอยู่ธรรมะม่ไอยู่กับธรรมะม่ไอยู่ที่พระพุทธเจ้านะอย่าเข้าใจว่าธรรมะอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้คนผู้ผู้รู้แล้วอมาสอนเราัเองตถาคตจะมาพูดเข่าก่อนตถาคตแปลว่าผู้บอกทางนะฉะนั้นธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราได้วิธีการได้เทคนิคแล้วเนี่ย ได้พันพืชพันุ์ก้าแล้วตอนนี้เราเมอพันธุ์หมอพันธุพืชพันุกล้าแล้วเอาไปปลูกที่บ้านไปรักษาที่บ้านสติคือพันธุพืชความรู้สึกตัวนี่คือพันุพืชพันุ์นะที่เพาะไว้ในใจเราแล้วเนี่ยรู้แล้วถ้าวันเจ็ดวันเนี่ยรู้แล้วแล้วเราทํายังไงจะให้มันเจริญงอก ง, งามถ้าได้ตรงนี้แล้วเนี่ยกลับไปบ้านไปทิ้งไว้เอาต้นไม้ตนนัว เ, เนี้ยหน่อพุทธังกูลเนี่ยหน่อไม้แห่งพุทธะเนี่ย เอาไปตอนนี้ครูบาอาจารย์ให้เออดตอนอยู่ที่วัดรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อารมณ์เจริญงดงามสติชัดเจนแต่กลับไปที่บ้านแล้วไปทิ้งเนี่ยมันจะเจริญไหมตาฮอดเออถ้าต้นไม้ตัวหนึ่งที่อยู่ที่วัดเนี่ยโอยที่วัดรดน้ําสวยเหลือเกินอต้นดอกไม้ที่หน้าวัดสวยเหลือเกินอยากได้ไปบ้าไว้บ้านสักต้นหนึ่งพอไว้บ้านไว้บ้านแล้วเนี่ยเราไม่ดูแลนะไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ํำจะมันจะเหลือไหมไม่เหลือ เดีวกลับไปที่วัดอีกโอ้ที่วัดทำํำไมถึงสวยถึงงามเหลือเกินอยากได้ที่วัดไปไว้ที่บ้านอีกเอาไปกี่ต้นกี่ต้นมันก็ไม่เหลือการปฏิบัติธรรมของเราเช่นเดียวกันะเราไปวัดนน้นที่ไปวัดหาหลวงพ่อเจรันบ้างไปหาหลวงพ่อตามหาบัวบ้างไปหาหลวงพ่อทองใบบ้างไปหาหลวงพ่ออทุกสำนักวัดมห า, าธาตุวัดรูปหนอปองหนอของหลวงพ่อพระทันตะ ที่ปฏิบัติรมแต่พอกลับมาที่บ้านเราไม่สืยบงานสารต่อเป็นไงมันก็ทุกเหมือนเดิมมันก็หนาขึ้นเหมือนเดิมนะใบไม้ที่มันร่วงลงมาเนี่ยถ้าเราไม่กวาดทุกวันเนี่ยมันก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้ก็หนาขึ้นกลายเป็นหมักหมมก็เน่าเหม็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเรากวาดวันเนี้ยสะอาดแล้วเนี่ยมันร่วงมาอันไหนเราก็กวาดอีกมันร่วงมาอันไหนเราก็หยิบออกถ้าเรามากวาดที่วัดแล้วเนี่ย ถ้ามันสมมติต้นไม้นะสมมุตินะต้นไม้ที่มันกอดที่วัดเรามาอยู่วัดน่ยมือการปฏิบัติธรรมก็ต้นไม้เราเราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พูง่ายเรากอดกอดใบไม้ออกมดเตียนเลย น, นั่งสบายไหมต้องว่านั่งก็สบายมันจะล่มข้างบนสัตว์ตะขาบมาเห็นไห ม, มแหมลงมุดอะไรมาเห็นหมดเพราะว่าข้างล่างมันเตี้ยนเราทําความส่ายแล้วเนยทีนี้ เราปล่อยไว้เรานั่งเงยเฉยเนี่ยมันร่วงไหมธรรมชาติมันล่วงมาความคิดเรามันเหมือนกันนะธรรมชาติมันต้องไหลมาตลอดเวลาใบไม้มันก็ร่วงมาร่วงมาถ้าเราไม่กวาดใบไม้หนาขึ้นหนาขึ้นงูมาเห็นไหมไม่เห็นถ้าขาบมาไม่เห็นสัตว์ ร, ร้ายมาไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหนาอยู่มันปกปิดอยู่นะแต่ถ้าเรามาทําอย่างเงี้ยหยอดมาหาตัวเองนิดหนึ่งถ้าเราปฏิบัติทำ ให้ความรู้สึกชัดเจนเนี่ยนะเหมือนกับเราดูใบไม้มันสาดมันลวกมาใบหนึ่งแล้วหยิบหยิบออกมันลวกมาใบหนึ่งทีหยิบออกมันไม่ลวงพร้อมกันหอกใบไม้น่ะใช่ไหมมันไม่พรึพร้อมกันมันกระเทนน้าหรอกใบไม้มันจะลวงมาทีละใบสองใบทีละใบสองใบสามใบสใบมันจะตามกันมาแต่ถ้าเราเห็นถ้าเราหยิบออกทันมันจะเบาไม่ต้องไปกวาดมากหยิบออกก็ได้ การปฏิบัติธรรมเราเช่นเดียวกันเรายกมือสร้างว่าชัดเจนนล้วไปที่บ้านเราก็ดูอีกเีความคิดมาก็เห็นความปุงแต่งมาก็เห็นแล้วหยิบออกไปเรื่อยๆที่วัดก็หยิบที่บ้านก็หยิบมันก็ต้องไม่ต้องไปอะไรมากมันเหยิบบ่อยๆมันก็สารมันสัตว์ไล่มาก็เห็นสัตว์ไล่คืออะไรทีเนี้ยสัตว์ไล่ภายในคืออะไรแต่ว่าสัตว์้ายภายนอกคือสิ่งภายนอกทั้งหลายที่สัตดเป็นสัตว์ไล่ พวกตะขาบาอะไรต่างพวกเนี้ยสัตว์ร้ายภายในคืออา่าอันนั้นมันอาตมาไม่อยากใช้คำว่าโลภโกรธลงเลนะี้ระมันมันรู้สึกว่ามันมันใหญ่เกินไปเอาเล็กเล็กน้อยน้อยก็เจ๊กก็จอกเราก่อนตัวเช่นความฟุ้งซ่านนำคาร์เนี่ยเหมือนกับสัตว์ร้ายตัวนี้เปนมแมลงมุมนะมแมลงมุมมันขึงตะขาบ รอกักมันฟุ้งสั้นปีศาจแมลงมุงมันเข้ามาแต่ว่าภาษาเขาเรีว่าช่ว่าไก่อุทิจารกุกุจ่าเยกว่าไก่ไก่มันจะฟุ้งเคี่ยวหากินฟุ้งกระจายเลยนะนะกุทิจานะกุกุสันโทนะกุกุสันโทเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งที่เรียกอะไร ใช้นามว่าว่าไก่กูกูกสันโทนเป็นมันฟุ้งซ่านลำคัญตัวเนี้ยคือสัตว์ร้ายใช่หนึ่งเราเห็นโอ้จิตใจเราฟุงส่านแล้วถ้าจิตใจของเราสะอาดแล้วมันจะเห็นถ้าจิตใจเรามันฟุงส่านอยู่แล้วมันโศกปรอยแล้วนะมันจะมองไม่เห็นมันเข้ามาก็หมักหมมอีกความฟุงซ่านก็หมักหมมความลำคานเข้ามาก็หมักหมมความปฏิฆะก็คือตัวไหนอาจจะเป็นงูก็ได้อ้าปฏิฆะงดหยิด ทำให้เราอ่าไม่พอใจเอาเป็นงูบ้างเอาเป็นเอาเป็นตะขาบบ้างามันเข้ามา เ, เรามองไม่เห็นความคิดพอใจไม่พอความงงยีดคัดเครื่องใจเนี่ยมันเข้ามาเราเห็นนะแต่ ว, ว่าเราเอาเอาอกไปเป็ี่ยนเพราะจิตใจของเรามันหมักมมเหมือนกันไม่สะอาดมันเข้ามาก็อยู่เข้ามาและกลายเป็นหน้าดำขำรั่ําเถื่อนกลายเป็นไม่มีความสุขหนะความสุขไม่ได้ หลังจากที่มันปักหม ม, ม น, นานก็กลายเป็นนิสัยกลายเป็นนิสัยก็เป็นอะไรเ ป, ปเป็นอุปนิสัยเป็นอนุสัยสุดท้ายเป็นสันดานกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายโกรธง่ายโมโหง่ายอ่าเป็นอะไรที่อะไรกระทบหน่อยก็เกิดฟุง้งเร็วเนี่ยมันหมักหมมนานเขา้าเพรฉะนั้นเรามาทําอะไรตัวนี้เาเรียกว่าเรามาตัวนี้เขาเรียก ว, ว่าใช้คําว่าสําลอกสําลอกสํำลอกสิ่งนั้นออกถ้าเรากวดใบไม้นะ่ะ กวดาดวันแรกจะให้มันสะอาดเลยได้ไหมมันไม่สะอาดหรอกใบไม้กวาดครั้งแรกให้มันสะอาดได้ไหมต้องกวาดไปใบกวาดไรแต่ว่าเราไม่มีเครื่องมือพอเราก็หยิบออกเนะี่ยยกมือสร้างวัดทีนึงก็หยิบออกทีละใบทีละใบหยิบไม่หยุดมันก็สะอาดไปเองนะหยิบทุกบ้านทุกบันกลับไปที่บ้านก็หยิบเป็นเดิมนะั่น ย, ยกมือสร้างวัดถ้าไม่ยกมือสร้างวัดทาไงทอนนี้ยก็เคลื่อนไหวทํางาน หยิบปากกาขึ้นมาทำงานจับต้นนั้นหยิบตรงนี้ซักผ้าอะไรต่างๆมันก็เหมือนยกมือสร้างอยู่วอะทำสิ่งนั้นน่ะเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวทางร่างกายให้รู้เท่าทันมันไม่รู้เท่านั้นนะตะวันธาตมันรู้จริงๆแล้วเห็นไหมกระพับกระพริบตาอ้าปากมันก็รู้เลยมันรู้ถึงขนาดนักพริบตา้าปากยินร้อนอ่อนเฉียงถ้าเป็นปกติแล้วมันจะรู้หมดแต่ว่าหยาบๆซะก่อนตัวนั้นมันจะเป็นมันเป็นอัตโนมัติของมันซก่อนเราจะเห็นตัวนั้น ถ้ายังไม่ถึงยังไม่เกิดอัตโนมัติแล้วเนะี่ยคือมันเป็นขอันเองอ่ยเราก็จับความหยาบๆไปก่อนพยายามละเอียดจับความรู้สึกให้ชัดเจนในสิ่งนั้นสิ่งนี้นะเดินไปตรงนั้นเดินตรงนี้เดินก้มหน้าพอดีพองามเดินกับกุฏิเดินกับห้องเดินกับอะไรก็เหมือนเดินตรวกลมเดินะเดินเร็วเดินเช้าจับความรู้สึก ไ, ได้ไม่ใช่ว่าจะสัมรวมตัวนนะ ถ้าจิตใจขงเราเป็นปกติจับความรู้สึกตัวชัดเจนแล้วมันจะวิ่งก็จับได้จะอะไรมันก็จับได้ทั้งนั้นนะนะแต่ว่าให้จับให้ดูให้กาหนดนะไม่ใช่ว่าทำเร็วก็จับไม่ได้ไม่ใช่ทำงานโหยังไปมันจับได้หมดอ่ะนะนะจับความรู้สึกถ้ามันเป็นปกติแล้วฉะนั้นวันนี้เราเห็นความเสื่อมภายในอบายมุขภายในแล้วเนี่ย เราก็พยายศึกษามันการ ม, มาลาคะมาความใครียดในการมาคุณ <c oughs> การมาคุณห้าตาหูตูริ้นกายใจเข้ามานะได้กินอาหารโอ้ววันนี้อร่อยแล้วหิวแล้วท้องร้องแล้วเนะี่ยโดยเท่าทันนะการมาคุณห้าความลังเลไอ้พยาบาทความหงุดหงิดฟุ้งซ่านลาคัญมันเกิดขึ้นมาต้องรู้เท่าทันแล้วก็รู้มันแล้วก็อย่าไปตามมันถ้าไปตามมันก็จะเป็นมัน เรากลายเป็นคนผู้เป็นผู้ทำผู้เป็นไปนะความพยาบาทความหลังเล ส, สงสัยความวิกิกิจฉาความมัวเอานอนสิ่งเหล่านี้คือต้องรู้เองสัมผัสเองนะเข้าใจแล้วก็ต่อสู้ของเราเองนะอาศัยครูบาอาจารย์ไม่ได้หลาพ่อห่วงเหลือเกินทำยังไงห่างห่วงใช่ไหมครับเดินโยกรมยืนสร้างอยง่แบนั่งสร้างอยู่แยังไม่หาย ความง่วงตอนนั้นนะครูบาอาจารย์รู้ด้วยเราไหมไม่รู้มันอยู่ที่ตัวของใครของมันท่านเป็นเฉยท่านรู้ท่านเองนะเพราะว่าท่านไม่สามารถจะหยิบออกให้เราได้มีแต่บอกวิธี <c oughs> บอกวิธีเท่านั้น <c oughs> ฉะนั้นอารมณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเราก็ต้องหาทางแก้เองนะถ้าแก้ไม่ได้สุดฤทธิ์ก็ถามครูบาอาจารย์บอกวิธีนะไม่ใช่ธรรมดาคนาเคยง่วงมากกว่าสมาธิโอ้โหมัน เกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยห่วงขนาดนี้เวลาปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติแล้วนี่ไม่ได้นอนสิบวันแล้วมันไม่เท่ามันเลยนะมันมืดมันเหมือนกับความมืดเข้ามาคุมใจของเรายกขาค้างยกมือสร้างว่าค้างไม่รู้ว่ามันฝันตปเมื่อไหร่ยกมือสร้างวัดมันฝันไปเมื่อไหร่ไม่รู้นะเริ่มสะลือมันพอความคิดกายมันความฝันทันทีเนี่ยที่ดูมันมาแล้วรู้ไม่ทันมันคิด ความคิดนั้นกายเป็นความฝันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตื่นมาทีหลับตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะะเสื่มเสือสู้ไปบ่อยทาไปบ่อยอย่ายอมแพ้มันแล้วมันจะเวลาผ่านมันปุ๊บเนี่ยจะโล่งโป่งนะโอ้มันมันโล่งมันโป่งจริงนะผ่านมันได้ความม่วงแต่เพราะว่ามันเป็นตัวที่เห็นในชัดที่สุดเนีโล่งโป่งผ่านมันได้สบายมามึงไม่ใหม่แล้วนะเดี๋ยวก็มาหนักกว่าเดิมอีกเลยไม่ใช่ว่าไม่มานะผ่านได้ขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่า โอ้สบายเดินตัวเบาวิวสบายได้อารมณ์ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็นมาอีกอันนั้นมันส่งลูกน้องมาเฉยเมันส่งเสนาะมาเฉยนะพยามานยังไม่มาอันนั้นเสนาะมาเฉยนะเพื่อให้เราจิตใจเราแข็งขึ้นต่อสู้มันจะหนักขึ้นไปเรื่อยเมื่อกือศัตรูอ่ะถ้ามีฝึกทหารไว้เฉยเฉยเนี่ยฝึกทหารไ้เฉยถ้าไม่มีศัตรูแล้วจะมีประโยชน์อะไรทหารเปลี่ยนระบบการะิเศชาติเฉยใช่ไหมแต่ว่า เดี๋ยวก็จะมากําจัดประเทศเดี๋ยวก็มากําจัดประชาชนตัวเองกำจัดสิทธิตัวเองอยู่นั่นแหะกำจัดริบรอนสิทธิประชาชไตยตัวเองอยู่เงี้ยถ้ามันไม่มีศัตรูภายนอกถ้ามีศัตรูภายนอกเกิดสงครามขึ้นมาถ้าเอาชนะได้มันจะโอประเทศเราเข้มแข็งเห็นไหมทหารเราเก่งเหมือนกันนะเหมือนกันนั่นแหละความรู้สึกตัวเองนะถ้ามันไม่เอาชนะตัวเองคนอื่นไม่ได้ก็เอาชนะตัวเองให้ได้ เอาชนะคนอื่นหมื่นแสนหนย่อมกลับตนเป็นแพ้ไม่แน่หนอะเอาชนะใจตนเองได้นะเป็นพอจะเกิดก่อความสุขร่มเย็นนะทุกวันนี้เราเอาแต่ชนะคนอื่นนะะเอาชนะคนอื่นมองดูคนอื่นฝากความสุขไว้คนอื่นฝากความหวังคนอื่นไม่ได้ฝากความหวังให้ตนเองนะฉะนั้นเอาความหวังของตนเองบ้างอาตมาเขียนขึ้นมาคำหนึ่งวนะ่าฆ่าหรือขีดชีวิตฆ่าฟ้าไปเกี่ยวไม่ต้อง ค้าคนเดียวหรือดชีวิตค่าฟ้าไม่สนเราฉีดเส้นตัวเองได้อย่าให้ชัตามาฉีดพวกเรามากชัตตาหมาย่ึงอะไรตอนชัตตาหมายถึงอะไรถ้าเราปล่อยตามชัตาบ้างชัตตาแปลว่าชี้ตาแปลว่าชนะแล้วชีชักแว่าชัตตามาจากชี้หน้าท่านบวกตะ ในในอะไรใ น, ในตตัวนี้มาจากไม่ใช่ธาตุเป็นตัดทิศพูดไปโยกไม่เข้าใจเเป็นหลากศัพท์ของภาษาแปลว่าชะนะแล้วชะตาไปแล้วนะหรือชาตะไปวพราเกิดเ็ได้นะชาตะชาตะตัวนี้ไปวพราเกิดก็เลยแต่ธต ร, รมไมิตีเขาว่าเกิดเอาชิดตนะา แปลว่าชนะแล้วม th. cool er ันเกิดแปลว่าเราเกิดเราได้เกิดเราชนะแล้วก็ใช่ไ่ะมันก็ผดเดียวกันหลกสามมูลสามอะไรเดียวกันน่ะนียชาติเราเกิดแล้วเราชนะแล้วก็ได้นะฉะนั้นเราจะปล่อยตามชาติเรากําหนดของเราไว้บ้างอย่าให้ความสุขภายนอกความทุกข์ภายนอกมาลิขิตชีวิตเราเราลิขิตชีวิตความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราได้ฉะนั้นเช้าวันนี้ก็คงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยหล้วเนาะเข้าใจไหมเน่ยแต่วัดฮะ เรื่องรูปน้ำไม่ฟังเท่าไหโอ้หลวงพ่อท่านพูดประจํารูปน้ำไม่เข้าไม่เข้าแ <c oughs> <c oughs> ต่ว่าตาออดมันยังไม่เปิดประตูใจนั้นนั <c oughs> รูปนามเอออย่าเพิ่งรู้เลยหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าอย่าไปรู้ก่อนรูปนามมันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์หรอกครูบาอาจารย์ก็เป็นรูปหนึ่งมันอยู่ที่ตัวเรารูปนามอยู่ตัวเราอยู่ตื้นๆนะรูปนามมันตื้นที่สุดในตัวเรานะไม่มีอะไรที่ตื่นไปกว่ารูปนามแล้วเพราะว่าเรามีแต่รูปกับนาำเท่านั้นน่ะ อย่าฟังมากให้ปฏิบัติเราเข้าใจแล้วเราจะบอกว่าพระอาจารย์จะฟังรูปน้ำจากผมไหมมันจะถามเองนะมันจะมาสอนครูอบาอาจารย์เองถ้าได้สมมุติได้ต่ว่าได้รูปนนะ้ำเนี่ยาต่าว่าคนอื่นได้หมดอเพราะาอะไรเดีย๋ยวจะไปบอกคนนั้นคนนี้ฉันรู้แล้วนะมันหยุดไม่อยู่แล้วเดีย๋ยวจะไปสอนคนนั้นทําอย่างนี้รู้อย่างนี้เนาะแต่อันนี้คือรูปรูปน้ำนะมันจะผลักดันตออไปสอนตัวเดิมเองนะมันจะแรงเองนะงนั้นเรา ยังเพิ่องอยากรู้ให้มันรู้ขึ้นมาจากจิจอะไรยนยกมือสร้างวะมันจะมีทั้งลูกทั้งนามเป็นตัวมันแหลแต่ว่าให้มันเกิดเองเข้าใจเองอยากรู้ใบไงมันเขาเรียกว่าสุกเอาเผากินมันไม่อร่อยแต่ว่าอยากรู้ไวเนี่ยนะมันไม่มีหรอกใบ ไ, วไวมีแต่ ม, มาม่าเท่านั้นแหละนะอ่ะดังน่านเช้าวันนี้ก็มีใครมีปัญหาอีกอนรือม่ให้านเท่าไหร่ อย่าเพิ่งถามรูปนามเนตะออดนะเป็นตะออยนะไม่มีแปลว่าเข้าใจหมดนะถามกลับลืมหมดทแมได้เลยทบทวนในวั น, น, น, วนหา้าใช่ไหมโยมเจอกิตโยมเจอเจอกี่ตัวล่ะเมื่อวานนะี้เจอกี่ตัวเมื่อวานมันเยี่ยมกี่ตัวฮะ ปวดเมื่อยมันเป็นสังขารเฉยๆนะมันเป็นอันนี้จะทุกข์มันเป็นธรรมชาติของร่างกายเราแล้วมันไม่ใช่นิวรณ์ไอตัวความปวดปวดเมื่อยร่างกายคือถ้าเราทํำคือความปวดเมื่อยเนี่ยนอนมากก็ปวดเมื่อยนะทํามากก็ปวดเมื่อยมันเป็นร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นถ้าร่างกายแข็งแรงทำโยคะไปแล้วความปวดเมื่อยก็จะน้อยลงเวทนาก็น้อยลงถ้าทําถูกต้องถ้าไม่ทําแล้วไปปฏิบัติเลยยยกมือ พูดง่ายๆตมาทาเก็บประครั้งแรกนะสองสามวันนี่ระบมหมดอ่ะกล้ามเนื้อมันฉีกขึ้นกว่าไม่แน่ใจแล้วสามสี่วันไปแล้วนี่ยสี่หวันไปแล้วเนี่สบายแล้วทีเนี้ยเดินจงกรมอะพวกตมาชอบเดินจงกรมเดินจงกรมวันแรกสองวันเนี่ยเดินจงกรมทั้งวันเนี่ยไม่อยากเกนั่งเลยพอนั่งมันเดินไม่ได้มันตะบมหมดมันปวดหมดขั้นจะเดินเดินเพี้ยนเดียวก็หายหายเดินีิเป็นนั่งอีปวดอีนอนกลางคืนไม่อยากจะลูกเดินปวดต่ำ มันเป็นร่างกายของเราที่เราร่างกายเนี่ยมันคือพื้นฐานบากฐานเป็นอุปกรณ์เพื่อไงนะถ้าเราจะทำนาเนี่ยเราไปทําเลยได้ไหมเราต้องมีอุปกรณ์ต้องมีไถมีรถมีคาดมีไถมีจอบมีอะไรนี่คืออุปกรณ์ร่างกายเรา อ, อุปกรณ์เราจึงจะทํานาได้ฉะนั้นเราจะเอาสติปัญญาสติคือสติปัญญาเนี่ยมันคื อ, อผลที่เราจะได้จาก การกระทำทางกายตลอดฉะนั้นกายเนี่ยคือฐานนะกายคือฐานมันเจ็บปวดเมื่อยอะไรต่างมันก็เป็นเป็นงแธรรมชาติเราก็มันปวดเมื่อยทางนี้นั่ ง, น, งนั่งนี้ปวดเมื่อยใช่ไหมก็ยกขึ้นบําบัดอ่ามันก็หายนั่งทางนี้ปวดนั่งค า, าตมาัดบ้า ง, างยกมือสร้างละนั่งค า, าตมัดปวดก็นั่งเทิดาต้องสอนหรือเปล่าลถ้าเทิดาปวดต้อ เท้าปวดบ้บางทําได้ทุกคนเนะ่ะยกมือต่อเท้าปวดปวดก็ยืนเขายืนเขาปวดก็ยืนเลยทีนี้ไม่ต้องสาธิตการยืนนะเพราะมันขยับเยอะมากแต่มาเขาปวดปัสสาวนะทั้งอยากจะหยุดมือแค่ น, นี้สามสีแก้วเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ปล่อยเลยทั้งเมื่อเช้าก็ดื่มนาม้าปัสสาวะตัวเองนิดขันหนึ่งนะทั้งปวด <c oughs> ทีนี้ทวนยมนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมจะทนไม่ไหว คำว่านิรนวรณิวาระะแปลว่าตัวขวางกั้นอุปสรรคแปวขวางกั้นขวางกั้นความเจริญนิวรก็ตัวขวางกั้นความเจริญความเจริญทางด้านสติปัญญาความเจริญทางด้านชีวิตถ้าใครจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําการทํางานสักอย่างหนึ่งมัวแต่ง่วงงงเอาหอนอนอยู่ไม่ได้เรียนหนังสือก็มัวแต่ง่วงงเอานอนอยู่คนละไม่ได้ ทำอาชีพมันกันถ้ามีความสงสัยอยู่ไม่ลงมือทำทันทีมันก็ไม่สำเร็จผลดังนั้นเริ่มตัวหนึ่งคือกามาราคะกามาราคะตัวนี้คือหนึ่งปฏิบัติไปแล้วเนี่ยกามมคุณตัวนี้คือยินดีทางตาหูตัวตบุรลิ้นกายใจอ่อนไหวต่อการสัมผัสเสียงรถวิ่งก็ดูเสียงนกร้องก็ดูเสียงมดเห็นหมดเตะก็ไปนั่งเล่นกัหมดนะเห็นอะไรก็ไปตามสิ่งเหล่านั้นหมดเนี่ยเขาเรียกว่า มันไปตามยินดีในกามคุณเรารู้เราเห็นและการมาราคะราคะตัวนี้แปลว่าความใคร่ในกามกามคือความใคร่ในเพศนะเวลานปฏิบัติไปแล้วหนโวะมันอะไรไม่รู้มันแรงเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่ต่อมสัมผัสเราที่เร็วรที่สุดเนี่พราะท่านพูดคือมีสองทางถ้าเราชนะสองทางได้จะมีความสุขในชีวิตเรา 1. ทางอาวัยวะเพศสองทางลิ้นนะ เส้นประสาทที่มากที่สุดแล้วก็เร็วตัวการสัมผัสมากที่สุดคือลิ้นแล้วก็เอาไว้เฉพาะเภศถ้าเราชนะสองทางนี้ได้ชีวิตก็จะมีความสุขนะดังนั้นอันที่1คือการมราคะความไขในกรมาคุณแล้วก็ทางนี้อันที่2คือพยาบาทนะพยาบาทคือความงุหงิดขัดเคืองใจนะเห็นใครไม่พอใจใ ย, ยนี้ทํำไมเดินไม่ตรงเลยทำไมมาเดินที่เราทํำไมต้องยกมือสร้างว่าเป็นหรือเปล่ายอยากจะไปสอนเขาอะไรตานะ่างๆเนี เห็นอะไรก็ขัดเคียงกันหมดเพราะเนื่องจากนิสัยของเราเดิมมันมันมันสั่งสมตัวนี้มาเห็นครูบาอาจารย์เดินผ่านไม่บอกไม่แนะนําวันที้ก็อยากจะพูดอยากจะคุยด้วยอย่าพูดมากนะอย่าชวนท่านคุยมากอยามีอะไรสงสัยก็ถามเล็กๆน้อยๆหายแล้วก็ถ้ามันถามมากไปแล้วเนี่ยถ้าถามเกินหกคำกี่คำไปแล้วมันจะไปไหนไปถึงบ้านพระอาจารย์อยู่บ้านไหนเนี่ยพระอาจารย์มีเบอร์โทรไหมเนี่ยพระอาจารย์ ทำอะไรแต่ก่อนบวชได้นานเท่าไหร่ไปอย่างนั้นเลยทีนี้ถ้ามันถามไปแล้วมันจะไหลไปอย่างนั้นถ้าถาม น, น้อยๆถามจะอารมณ์มันมถามไม่มากหรอกเนี่ยตัวหนึ่งความพยาบาทตัวที่สามคื อ, อความถีในมิทะนก่อนความม่วงงาหอนอนตัวนี้ไม่ต้องบอกแล้วนะว่าไม่เป็นอย่างไรทุกคนคงจะเจอคู่ซ้อมพอสมควรแล้วล่ะ ทนี้ไม่ท่าผมเงาเงาฮอนนอนแต่ะเจอแล้วนึ่จะให้ทายมันอย่าเป็นหลับนะถ้ามันรู้สึกสลุมสลือจึงเป็นนั่งหลับแล้วมันก็จะต่อยเอาต่อยเอามันนักมวยนะหลวงพ่อสุดท้ายบอกนักมวยขึ้นเวทีแล้วเน่ยเก่งเหลือเกินชนะมาหลายแชมป์แล้วว่างั้นพอมาเจอแชมป์วัดธรรมแสงเทียนนะขึ้นคู่ชกเดินเข้าไปมวยคู่ต่อสู้ก็ต่อยหลุมตาข่วม เดินเข้าไปก็ต่อยลุมตาคว่ำอีกเดินไปทีนี้เราเดินเราเดินไปท่าเดิมอ่ะเดินเข้าไปก็ต่อยเอาที่เดิมนั่นแหละนะเดินไปท่าเดิมนงห่วงมาก็หลับตาเขา่วงห่วงมาหลับตาเขาห่วงน้มวยตัวนี้ยเดินไปก็ต่อยลุมตาคว่ำคว่ำเขาเลยจับแพ้เลยไปนอนมี่หนซ้ำยังด่าเขาเนอะด่าคู่ต่อสู้ที่เขาต่อยบ่อยมวยกระจอกเขาต่อยที่เดิมเหมือนกัหาว่าเขากระจอกต่อยที่เดิม เอ้เราไมเปลี่ยนท่าสักทีนุ้ก็ไปทีเดิมน้กนอนม่เดิมเะฉะนั้นทีในมิถะตอนนี้ผมก็เหงานอนเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เปลี่ยนไม่ได้ก็พอวิ่งอัตมาเห็นยูแม่คนหนึ่งเดินจงกลมขึ้นเขานะเออก็ได้สองอย่างหนึ่งเวลาเราเดินเน่ยเท้าเราเหมือนก้ะกระดาษเท้านาะเท้าเราจะไปลายนี้ไหมโบกตีเราไปเั่นนี่ถ้าเดินขึ้นเดินลงเท้าเราจะดัดฝังเท้าฝ่าเท้าบริหารหลังเท้าฝ่าเท้าด้วยแล้วก็ไม่ใส่รองเท้านวดเท้าไปในตัวเลยนาะ เดินขึ้นเดินลงเอาแม่ทําไมเดินงั้นน่ะเอาสติออกพลังกายด้วยพยานเออก็ดีนะแต่ไม่ต้องเดินขึ้นถึงถ้ำนะเดินแถวนี้ได้อยู่เนี่ยหาเปลี่ยนอริยบทเราถีนิมิธาตัวที่สองคือตัวที่สามตัวที่สี่คืออุทธิจักกกุตจักแนวความนองเละสงสัยอุตส่าห์ข้อไปข้อไปไม่ใช่ทีนิมิทไม่ใช่ไอ เ อ, เอะไรตัวลืมแล้วไล่เป็นบ่อยแล้วลยาวิกฤกิชา้าขอไปอุตไดจากกุศลใจคือความฟุ้งซ่านลำคาญย่าถ้ามันฟุ้งเราแล้วให้ดูเรานะให้แก้ที่เราอย่าไปแก้ที่คนอื่นอย่าไปชวนคนอื่นคุยอย่าฟุ้งไปหายายนี่อย่าฟุ้งไปหาตานั้นอย่าฟุ้งไปหาพระพาพระฟุ้งอีกนะ <laughs> เวลาปฏิบัติพระนั่งอยู่ยมด้วยกันเยอะเนีฝุงแต่เรากกายฝูงหมดทุกฝูงเลยว่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเปลีย่ยนคำว่าฝูงนะฝูงหมดทุกคนเลยนะพระพระฝูงอีกนะ เ, อเป็นอุติจักขุจกขันความฟาุ้งซ่านนาำคาันแล้วก็แล้วก็วิกิกิจชาควาเลยสงสัยนะมัวแต่สงสัยไม่ปฏิบัติลงมือทำลงมือทําพอกระเทินนะทำซ้ำได้ซ้ำนึงนะไม่ทําจริงจังเช่นั้น ไฟหมดพอดีคงจะเข้าใจละห้าตัว